พระบัญญัติ348ก็ภิกษุผู้จะสร้างกดุดีที่ไม่มีเจ้าของสร้างถวายสร้างเป็นของส่วนตัวด้วยการขอเอาเองพึงสร้างให้ได้ขนาดขนาดในการสร้างนั้นดังนี้ยาว12คืบกว้างเจดคืบโดยคืบพระสุคตต้องพาภิกษุทั้งหลายไปแสดงพื้นที่ให้ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงพื้นที่ ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบถ้าภิกษุสร้างกุดีด้วยการขอเอาเองในที่ที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบไม่พาภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงพื้นที่ให้หรือสร้างให้เกินขนาดเป็นสังฆาทิเศษเรื่องภิกษุชาวเมืองอารวีจบ